เรื่องน้ำเมาเจือในน้ำมันหุงแพทย์ต้องเจือน้ำเมาในน้ำมันที่หงพุงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เจือน้ำเมาลงในน้ำมันที่หุงได้